มันสมองให้ออกไปทำไปทำดูทุกคนจะเหมือนกันหมดไม่ใช่คนละอย่างที่พูดนี่ <c oughs> คือเกือบทุกคนไม่ใช่พูดกับใครพูดใดพูดหนึ่งเด้วมันเป็นอันเดียวกัน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 คือรู้สึกอาสาไทยเรียกว่ารู้สึกตัวอาสาบาลีเรียกว่าสติสัมชัญญะอาสาบาลีเอสติอาสาคนเดีรันเรียกว่ามุมีเอตุนแล้วฮะรู้แล้ว <laughs> เหมือนกัดปลูกลูกให้ตื่นถ้าเหมือนตื่นแล้วพก็แม่ต้องช่วยมันมันจะช่วยตัวเองถ้าขอให้มันตื่นก่อนมันจะรู้จหน้าที่ของมันเองทํำยังไงถ้าเหมือนตื่นแล้วก็ถามมันตื่นหรือยังตื่นแล้วก็เล่ากันว่าในชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกัน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 ความรู้ความหลงจะสอนคนผู้รู้ความหลงจะสอนคนที่หลงเมื่อเราสัมผัสดูแล้วอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องจะรู้จากตัวเองเหมือนคนตื่นนอนความถูกเป็นไงความผิดเป็นไงความหลงถูกต้องไหมความรู้ถูกต้องไหมไม่มีคําถามมีแต่คตําตอบ ตเองต้องตอตัวเอ ง, อ ง, เองคนืดินตอบให้เวลานี่คือของจริงไม่ต้องไปถามไม่มีคําถามเบื้อหลงเราต้องปถามคนอื่นเลยเราหลงหรือเปล่ากรมลูกก็ต้องถามคนเดินไหมเราลูกหรือเปล่าเวลาลูกครบหลงหมดไปเลยปหรืออย่างไม่ต้องถามคนเด่นกรมลูกฉันมีแล้วครบหลงหมดไปหรือยังไม่มีคําถาม มันจะมีการตกเป็นตัวเสร็จสำเร็จเสร็จไปจบแล้วจบแล้วจบแล้วถ้าหลงเป็นลูกจบแล้วร่วมหลงจบไปแล้วถ้าหลงเป็นหลงจบไม่เป็นถ้าทุกเป็นทุกจบไม่เป็นสุขเป็นสุขจบไม่เป็นถ้าสุขเป็นลูกจบไปแล้วถ้าทุกเป็นลูกจบไปแล้ว มันจบไปแล้วทำไมที่จบไม่ใช่ไปห้ามไปโกดไปกั้นเราให้รู้สึกตัวก็จบไปงปัญหาต่างๆเป็นปัญญาไปเองในขณะที่ ร, รู้สึกตัวทันทีจะเป็นการทำกูดีก็ทําแล้วขณะที่มันหลงรู้เป็นความดีแล้วที่มันหลงรู้เราคงชั่วแล้วทันที ขณนะที่มันหลงลกูกไม่เปิดเปื้อนเป็นการมีสินแล้วถ้าหลงเป็นหลงลูกเป็นลกูกไม่มีสินแล้วผิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชีวิตแล้วให้ความหลงเป็นหลงให้ความทุกข์เป็นทุกข์หรือ ว, ว่าไม่มีชีวิตแล้วถ้าลูกเนี่ยคือชีวิตลูกเนี่ไม่เป็นอะไรการไม่เป็นอะไรคือชีวิต การเป็นเลยไม่ใช่ชีวิตเอาชีวิตไปห้อยไปเฉีนไว้กับอาการต่างๆไม่ใช่ชีวิตเราถ้าเราไม่หัดเราเป็นอยู่นั่นชีวิตเราเป็นอยู่ดังนั้นฉุกเป็นฉุ ก, ท, กทุกเป็นทุกเลยไปจนตายถ้ารู้จบเป็นความหลงก็จบลงความกลัวก็จบลงความทุกข์ก็จบลงว่าแต่รู้เท่านั้น ไม่ต้องไปมีอะไรเหตุผลทําไมทําไมทําไมไม่มีทําไมจึงหลงไม่ใช่ไม่ใช่รู้ถ้ารูไ้ไปมีคําว่าทาํามภาษาไทยอันนี้ตัดออกไปได้เลยคาว่าทําไมไม่มีถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมมีแต่รู้ลแล้วเท่านั้นเองคาว่าทําไมจึงหลงทําไมจึงไม่รู้ไม่มีไม่ต้องพูดจบไปเลย ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่พูดอีกจบไปแล้วไม่เคยพูดถ้าใครมีสติจะว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่มีอีกแล้วจบไปแล้วคุณหลงต่างหากที่พูดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมจึงทำอย่างนี้มีแต่คนหลงที่พูดแ้วนั้นเป็นการบ้านเป็นปัญหาสร้างคญหายตัวตัวเองคำว่าทาไมนี่เป็นคาถาม เรียว่าปัญหาน้ารู้เนี่ยไม่มีคําถามจบไปแล้วต่อไปแล้ ว, ขวเขายกันหมดเลยห่วงดีเกิดขึ้นเป็นพวงถ้ารู้ห่วงชั่วหมดไปเป็นพวงเหมือนกันมันจึงไม่ยากลูเจ้าบอกว่าปฏิบัติธรรมถ้าทําถูกเหมือนจริงโคกหลงเขาถ้าทําผิดเหมือนจริ้งโคขึ้นเขาถ้าสุขเป็นสุขจริ้งโกขึ้นเขา ก้สุกเป็นคนเป็นผู้ลูกจิงโคกลงเขาโกรธเป็นลูกจิ้งคกลงเขาง่ายง่ายง่ายสสนะงสัมปัตดูนะถ้าสัมปัตล้วจะมีศรัทธาตรงนี้จะมีศรัทธาตรงนี้เชื่ออย่างนี้เมื่อมีศรัทธาก็มีความเพียรประกอบเรื่องนี้บ่อยเอาใจใส่ตรงนี้ตลอดเวลาเมื่อมันผิดแก้ไขให้ถูกต้อง ตลอดเวลาเรียกว่าทําให้เกิดความสําเร็จไม่ใช่ศรัทธาลอยๆไม่ใช่แบบศรัทธาต้องมีความเพียรต่อไปศรัทธาเหมือนหน้านาความเพียรเหมือนน้าผลมีสติเหมือนข้าปลูกเข้าพันหว่านลงแปลงมีกิจเป็นหนึ่งรูปเป็นหนึ่งเป็นการพลิกแผ่นดินให้ ให้ลกเป็นโล่งให้ให้ชั่วเป็นดีเปลี่ยนไปสมาธิเปลี่ยนายเป็นดีปัญญาโลบรเหมือนชาวนามีนาเหมือนเหมือนมีศรัทธาเชื่อมีน้อมผลเหมือนมีความเพียรมีสติเหมือนมีข้าวปลูกมีสมาธิเหมือนคาดเหมือนไย เปลี่ยนไร่เป็นดีเปลี่ยนหญ้าเป็นดินไปเลยความหลงก่อยเป็นปุ๋ยให้ความดีเกิดขึ้นความชื่อกลายเป็นปุ๋ยแห่งความดีทุกข์เท่าแท้าำไมเกิดเป็นพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดอยู่วนทุกข์ทุกข์ถึงเกิดพุทธเจ้าถ้าไม่มีทุกข์ไม่เกิดพุทธเจ้าจนพุทธเจ้าะที่นี่ไม่มีทุกข์ที่นี่ไม่เดือดร้นที่นี่ไม่บุบหวา เดินสาบโงด์ร้องออกมาวุ่นวายเหลือเกินวุ่นวาเหลือเกินขัดข้องเหลือเกินขัดข้องเหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินทุะเจ้าจงกลมอยู่ตอนเช้าพระเจ้าบอที่นี่ไม่วุ่นหวายที่นี่มีทุกข์ที่นี่เบื่อโลนมาที่นี่มาที่นี่มันก็คนละวงกันคนหนึ่งเดือ่อโลนคนหนึ่งไม่เดือ่อโอน คนหนังหลงคนหนังไม่หลงคนหนึ่งทุกคนหนึ่งไม่ทุกมันเป็นไปได้สิ่งที่เขาหลงเรามีปัญญาสิ่งี่เขาทุกเราได้ปัญญาปัญหาเป็นปัญญาคนที่ไม่ศึกษาเรื่อนี้ปัญหาเป็นปัญหาเลยไปได้ศึาากษากปัญหาเป็นปัญญาไปเลยโลภรู้ในกองสังขารสังขารคือคือคือปวงแต่ง ตัวลอบลูกของศารคือวิสังขารหยุดปรุงแต่งสังขารคือพรุงวิสังขารคือหยุดเหมือนรถมันวิ่งถ้ารถคันไหนมีแต่วิ่งหยุดไม่เป็นมันก็ใช่ม่ได้ชีวิตของเรามันกันมันปุงหยุดใช่ได้มันทุกข์หยุดใช่ได้มันโกรธหยุดใช่ได้ก็ต้อโกรธเป็นสังขาร ความทุกข์เป็นสังขารความโลภความหลงเป็นสังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนวิสังขารเนี่ยคือไม่เป็นอะไรกับอะไรสังขารคือทุกข์วิสังขารที่นิพพานสังขารเป็นทุกข์วิสังขารไม่เป็นทุกข์หรว่านิพพานในสังขารเป็นนิพพานอยู่ที่นั่นสังขารลาประมาตุขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งนิพพานหลังประมาทสองนิพพานไม่เป็นทุกข์ มันตรงกันครับเมือหน้าเมือหลังเมืออย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ต้องหาที่ไหนถ้ามีหลงแสดงว่าดีแล้วจะได้ลูกถ้าไม่มีหลงมันไม่ดีไม่มีไม่ไม่ได้ทําความดีรวมหลงทําให้เราประกอบพุณงามความดีรวมหลงทําให้ประกอบคุณความชั่วมีเยอะแยะแต่ผู้ปฏิบัติควมหลงทําให้เราประกอบคุณงามความดีได้ร ว, วมทุกข์ไปเราประกอบคุณงามความดี มีอยู่ที่นั่นเช็ดบ้านลกห ล, ลังทำให้เราทําความดีได้จับไม่ขวดประขวดบ้านได้ทําความดีสิ่งไหนที่มันสกปกทำให้มันสะอาดเรียกว่าดีอจะได้ทําความดีหน้นหาผู้อุ้มตรงนี้นผู้อุ้ม จ, จริงๆนะลองดูนะเคยไปได้ทําแล้วนี่สมไยมนานมาแล้วประปชุมคณนะสงฆ์ที่พุทธมุตรทน เร็มีช่วงสานะ่ะเป็นรถโจดไว้ให้ใช่เป็นห้องน้ำพระเป็นพันธันเราขึ้นไปบนรถพอขึ้นไปนะ้วมีพระขึ้นก่อนปราตัวว่างให้เปิดไปอยู่พระไปดูเราผ่านไปผ่านไแล้วก็ดูเรามันเลอเธอไปหมดเลยในห้องน้ำเต็มไปด้วยพูดโสโครกไปเลย เหมือนถึงไปเลยแล้วก็เปลี่ยนจีวรออกดีโอ้ใจมากๆข่าวนี้เราจะได้ทำความดีล <c oughs> างจีวรออกภาพเป็นหน้าต่างของรถแล้วก็เปิดหน้ามโดยยองเข้าไปมีแต่ต้องลุยเข้าไปนะก็ <c oughs> อยองเข้าไปพอเปิดก็หน้าน้ามไหลเช่าไอ้ใช่ได้ใชได้แล้วก็ลางลงล่างลงล่างลางล มันก็ดีขึ้นน่ะราดน้ำไปกระอาดขึ้นจากาจากันน้ไปสะอาดขึ้นจากกันทำไปทำํำไมซาจริงๆเลยโคงใจได้บําเพ็ญความดีเพราะสิ่งโสโคร ก, กทำไม่เกิดจากขึ้นมามีอย่างนั้นคิดของเราขใครจะเปลี่ยนอย่างนี้ในโลกเนี่ยถ้าเปลี่ยนแต่นี้มนุษย์โลกอยู่กันด้วยความสุขอะไรที่เราเปลี่ยนตรองไหนอะไรก็ได้ ความทุกข์ความไม่ดีเกิดขึ้นล้ว เ, เปลี่ยนยิ่งสมลรมามันมันหลงเปลี่ยนหลงเป็รูปนี่บู๊ยสัมมาทิฏฐิความอยู่ด้วยชอบที่สุดเลยอยู่ด้วยชอบที่สุดเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูเปนเป น, เป น, เปนี่ยยอดเยี่ยมที่สุดเลยถ้าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์เปรอเปื่อ น, นทําไม่ได้สัมผัสดูไม่ถูกต้องเลยความหลงความทุกข์ กมไม่ทุกคงไม่หลงถูกต้องที่สุดอย่าให้มันหลงมันก็ไม่หลงแล้วมันหลงทีเดียบางคนก็เศร้าๆแต่ถ้าผู้ที่มีสติจะยิ้มสักหน่อยนะเวลามันหลงเวลามันทุกข์ก็ยิ้มน้อยๆหัวเราความทุกข์ได้ไหมเพื่อนหัวเราความโกรธหัวเราความทุกข์ นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลจุลาคนมองหน้ามองให้หน้าตาอะไแต่เราสนุกป่วยว่าอย่างนี้สนุกปวดสนุกป่วยสนุกปวดพูดย่เต็มปากไม่เฉลี่ยแจ้งแจงทำทำไมบุลงให้คนไม่มมทุกไม่เห็นเดินล่อนตรงไหน ดูห้องนอนก็ห้องแอร์อยางดีพทยบาลสาวๆสวยๆแต่งตัวดีๆมายืนข้างเตียงนายแพทย์กระผได้ไทยลุ่เสื้อสะอาดบริสุทธิ์ดูกองเจงก็สวยงามดูเสื้อก็สวยงามทั้งแพทย์ทั้งพงยบาลมีแต่คนดีๆเหมือนเทพทิดเาเหมือนเทพประบุตรอยู่กติีของเราไม่ดีเันเนี่มีความสุข เวลาน้ำห้องน้ำก็มีคนมาล้างให้น้ำยาล้างห้องน้าหอมไปทั่วอยู่ในวัดนี่ไม่มีใครมาล้างห้องน้าอยู่โรงพยาบาลเขามาล้างห้องน้ำให้ถูสะอาดหอมไปด้วยน้ำยาอาหาก็ตึง้งแต่ยกมาใส่รถเข็นมา วางวะอะไรก็ดีห้าปูนอนสามวันเลือไปซักไงถ้าห่มเอาไปซักไงไหนไดจักเลยแน่เหมืองสวรรค์อยู่ที่ไหนราชิบาลก็ถือว่าเทพธิดาซะนายแพทย์ก็เทพประปุษฐ์ซะเขามีเจตีปัญญามาช่วยเรา พ่อแม่ส่งลูกสาวลูกชายเรียนแพทย์เรียนหมอเขาสติปัญยามาช่วยเรานี่คือเมืองไทยคนไทยมันก็มีความสุขไปทุกข์ทำไมเขามาลองให้กับเราทําไมเลยเสนุกป่วยจะว่าังไงจะไปทุกข์ทำไมมันไม่ถูกต้องความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้อง กลัวโกรธไม่ถูกต้องคลัวมไม่โกรธถูกต้องคือความรู้สึกตัวห น, นีเราใช่ชีวิตแบบไหนกันให้ทุกปนฉุกให้ฉุกคนฉุกผิดประเภทผิดประเภทเป็นโทษแต่ ต, ตัวเองโกรธที่ใดก็เหมือนจุดไฟเข่าถึงยังพากันโกรธอยู่อ๋อน่ะหน้าด้านคนโกรธเป็นคนหน้าด้าน คนหลงคนหน้าด้านหมกมุ่นคนคิดอยู่กับความหลงยังเอามาคิดบางคนนึงไม่ลืมได้ในความทุกข์เอามาคิดเขาว่าก็เราเขาว่าก็เราเขาว่ากูไม่ลืมกูไม่ลืมโอ้ใจในความทุกข์โอ้ใจในความกโใใามกรธนั่นวะบ้าปุตุชนขี้ขนบ้ารักษาได้บ้าอย่างเนี้ยบ้าจริงๆอะ่ะเอาไปอ้างคนด้วย นี่ไหมนะ้าบูบูดบางคนได้ไหม <laughs> <laughs> บ้าปุตชนคือคนบ้าผู้เจ้านะว่าอย่างนี้มาใช่หลวงตาบ้าปุตชนคือคนบ้าคนที่หายมาคือพระเยบุคลชั้นต้นนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปทำลายความโกรธความโกลกความหลงไ ด, ลด้แล้วคนดีแล้วไม่ไม่เข้าไปผ่านไปแล้ว มันก็ไม่ได้หนีไปไหนเสื้อสีขาวขาวสังเกงสีดำดำเพศใดภาวะใดทำได้ทั้งนั้นเป็นสากลตถ้าใครรู้สึกตัวก็เป็นของคนดัดถ้าใครหลงก็ไม่เป็นของเขาเหมือนฝนตกลงมาโบราณท่านว่าอาศชจันแทนอโหนตกขง ฝนตกหกกลากลางพ่นจะมาเปียกบัดอันหนองบึงควงๆจะไม่แห้งไงผมฝนตกหงจมพ้นจะมาเปียกโพนเดงรูจ้จักโพนมไหมสูงๆทำไมมันเปี ย, ยกแล้วเป็นทุ่งควงๆเป็นมึงเป็นหนองทําไมแห้งนะอาจารย์จะน้องดักเห้วกลางหน้าดักใส่กลางหน้าดรอกเซว ดักเหี้ยวต้นต้นไม้ได้ป่าขาวดักเหี้วบนต้นไม้ได้ปลาขาวดักใส่ไว้กลางดาด้วยนกเซลเอาเช็จันแต่น้องมันมหมายหมายมคือว่าอะไรโจมมงคลมันสูงในที่หนองที่เบืงมันต่ําผลไม่ลงไปอยู่ในหนองในเบืองแบบนั้นหมายถึงจิตของเราที่มันต่ําจิตของคนน้องคนสูง สงเปียกกับคุณธรรมสมสัมผัสกับรถพระธรรมถ้าจิตต่ำต่ำสัมผัสไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ต่ำที่สุดหรอกพอใจไม่พอใจจิตต่ำใช่ไหมแม่ชีถามดองตาอว่าพระเจา้าบอกถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาเสียดายความพอใจมันจิตต่ำ พอไม่พอใจจิตบรรมไม่เปียกไปด้วยคุณธรรมคุณธรรมมันใจมันสูงเหนือเห็นความพอใจไม่พอใจเห็นมันไม่พอใจเห็นมันพอใจไม่เป็นผู้พอใจไม่เป็นผู้ไม่พอใจเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์จิตสูงเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธจิตสูงจิตสูงเป็นนัไนไม่ใช่อยู่บนเครื่องบินจิตมันสูง เป็นมนุษย์เป็นได้พราจิตสูงมนุษย์ไปสู่สวรรค์นี่ผ่านถ้าเป็นคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนไม่ไปสู่มรรคสู่ผลหน่ะมีแต่ไปสู่บอยโกรธง่ายโมโหง่ายทุกง่ายหลงง่ายอบายไม่เจริญถ้าใจสูงมันเจริญสู่มรรคค น, คนไปนรก เท่ากับขนโคคนไปสวรรค์เท่ากับเขาโคไปยะกถ้าเป็นคนใจต่ำๆไปมนุษย์ใจมันสูงไปสวรรค์เหมือนกับขนโคปไปนรกเท่ากับเขาโคตรงกันพอดีเลยใจมันสูงเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งโยงมีดีที่เหลวขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคน ยมเสียทีที่ตนได้เกิดมาไม่ใช่ขาสองแขนสองเป็นหมดจากการฝึกตัวองใจมันสูงใจมันสูงไม่มใช่ต่ำเละเนื้อความหลงเนื้อความทุกข์เนือความโกรธมันสูงล้ามันต่ำ อ, อะไรก็ถ่มได้ความสูงไปมีระบบชัยภูมิภูมิที่จนะได้ก็ใจสูงชนะถ้าใจต่ำไม่ได้แพ้ นี่คือปิดสนรรั่นทอมหมายถึงคิดของเราเนี่ยความเป็นพระเป็นแบบนี้ไมาใช่โลภลางใจมันสูงบริสุทธิ์เห็นไม่เป็นเนี่ยพระไม่เปิด เ, เพื่อนเจ็บมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ปัจจุบันสมจริย์เจ็บมันหลงไม่เป็นผู้หลงเรีวยกว่าปัจจุบันสมจริย์ปัจจุบันสมจริย์ไม่ใช่โกนผมหงพาเหลืองจากการกระทําที่สำมาทิฏฐิ อยู่ดยโดยชอบอยเางนียวันนี้หลวงตาพูดให้ฟังมีกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมมาสิบคนเป็นยาติธรทมเก่าเกี่ยที่สุดสุกโตแห่งนี้คนกรุงเทพเข้ามาคนแรกคือกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมมาข้างหน้าสุดเอาเสื้อว้าหมดแยกเป็นรถๆจำได้ไหมไม่เพียนสามปีมาแล้ว อคนบ้านนี่ได้ดงเสือ้อลงผ้าจากกลุ่มสงสารปฏิบัติทุกคนเลยเสลาหลันั่นก็เข้ามาสร้าง อ, ะ, อ, ะ, อะไรก็ลอยของกลุ่มสงษาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่มากมาเดี๋ยวนี้ก็รุ่นกเก่าก็ไม่ค่อยจะมีแล้วตายไปหลายคนแล้วหลานตาก็ตายไปแล้วบางคืนมารุ่นเก่ารุ่นเก่า <laughs> พ น, นั่นเขาให้ให้เราเนี่ยอย่าล่าสมัยมาหลังเขาต้องไปก่อนเขาข้าไม่ประมาทนะถ้าหลงเป็นหลงช้าที่สุดเลยถ้าทุกเป็นทุกชาแล้วเดินชาแล้วถ้าหลงเปง็นรูวัยเข้าไปแล้วตรงเข้าไปแล้วเดินทางตรงมันถึงวัยปฏิบัติตงหลงไปลูรตรงที่สุดถ้าหลงเป็นหลงเดินชา ไม่ตรงปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกแล้วทุกเป็นทุกไม่ตรงท้าทุกเป็นดูออกเร็ ว, วไปออกไปแล้วมีไหมมีหลงไหมมีทุกไหมนั้นแหละนั่นแหละเป็นของดีที่สุดแย่ตรงที่ไม่ผิดเป็นตรงถูกไนนี่มันถูกต้องที่สุดแล้วถ้าไม่แก้ผิดเป็นถูกมันก็ไม่ถูกต้องตังตวเอง เราจึงมาปฏิบัติธรรมบรรลัตบรรัดต่างรัดเพื่อบรรลุธรรมคือมีสติสมัญชัดูกายดูใจปัญหนาที่เกิดเรื่องกายใจมีภาวะที่รู้เข้าไปอยู่ทั้งบนดหรที่นดีต้อนรับกลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเวยไม่ใช่กลุ่มศึกษาใครก็ตามที่นี่สาหมือนชนเหมือนกันหมดดูให้เป็นสุขเป็นสุข เราเดือด้อนอะที่นี่ปวดป่อยคิดเป็ัญญาของตัวเองย่ามีอะไรที่มันเป็นภาระปัญหาการรา่างวางไว้ก่อนไม่ให้เจ้าติ้งมีลูกก็วางไว้ก่อนมีหลานก็วางไว้ก่อนมีความรักความเกลียดชังก็วางไว้ก่อนให้มามีสติรับสติไปก่อนเหมือนน้ำในแก้วมันเต็มแก้วจะมารับแจ ก, กใหม่ไ ม, ม่มันก็ไม่ได้น้าเก่ามันเต็มอยู่ ความรัก็เติมอยู่ความผิดชั่งเติมอยู่ความผิดความถูกก็เติมอยู่เทียออกซะแล้วจะเทน้าใหม่ใส่จะได้น้ําใหม่เต็มเอย <c oughs> น้ําแก้วหมันเต็มไใจมันมีอะไรเสียงว่างเหงาบางเทน้ําออกเทภาชนะออกเหมือนเราไปตักอาหารตอนเช้าถ้าภาชนะมันเต็มอยู่มันกไ็ได้เล ย, เลยนะ ถ้ามันว่างมันได้จัดข้าอะไรก็สองทศปีสามปีก็ได้แก้วน้ามันว่างเทน้ำใส่ให้ก็ได้ <c oughs> นี่คือในความว่างาในความเต็มในความเต็มในความว่างในทั้งใจของเราว่างไปด้วยทิฏฐิมานะเต็มไปด้วยผมรู้สึกตัวถ้าเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะว่างไปด้วย นิสติมันก็มันก็ผิดแล้วเต็มแบบปัจจาุานว่างแบบปัจจุาัน ไ, ได้ไมได้ตึกตนสอนตนเข้าไปที่นี่สรรมวัตรตนชอบจะมีการสอนทำกันทุกวันปุนี่จะมีบวชอใช่ไหม มีเจ้าหน้าบวดพวกนี้มาเรียนยินดีตอนน้นแล้วู้ที่ยังไม่หมาคอยหมาส่ววาดนี่มาแล้วปฏิบัติธรรมในสติแต่เป็นคนคนเดียวกันตรองขวนเจอกญลากราพระพกัน